จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆด้านวันนี้ป็นมันสางที่23สิงอาคมพุทธศักราชสอ5พเเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจะได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญเพราะการทำบุญเหมือนเป็นการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเวลาเรามีทรัพย์มีเงินมากๆเราก็ไม่กล้าเก็บเอาไว้ที่บ้านเพราะเก็บไว้ก็ อาจจะหายได้เวลาโจรขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านก็อาจจะรักเงินทองของเราไปได้หรือเวลาไฟไหมเงินทองก็จะถูกไฟไหมไปหมดเราต้องต้องเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยก็คือธนาคารเวลาที่เราจะต้องใช้เงินใช้ทอง เราก็สามารถเบิกจ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราจะเอาติดตัวไปเวลาที่เราต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปเวลาเราเดินทางออกจากโลกนี้ไปถ้าเรามีบุญติดตัวไปก็เหมือนกับมีเงินติดตัวไป เราก็ไปซื้อตั๋วโรบินขึ้นเครื่องบินง่ายอยากจะไปเมืองไหนใกล้ไกลขนาดไหนเราก็จะสามารถไปได้เพราะเรามีเงินซื้อตั๋วโรบินมีเงินจ่ายค่าโรงแรมมีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในเวลาที่เราต้องการหาความสุขจากการท่องเที่ยวนี่คือ ลักษณะของผู้ที่ทำบุญเมื่อตายไปแล้วบุญจะพาให้ไปสู่ที่เราอยากจะไปกันคือให้เราได้ไปเที่ยวในโลกทิพย์ไปดูรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปพบกับนางฟ้าเทวดาทั้งหลายนี่คือผลที่เกิดจากการที่เราหมั่นมาทำบุญอยู่เ คือทรัพย์ภายในมาฝากที่ธนาคารบุญก็คือวัดวาอารามต่างๆถ้าเราไม่ทำบุญแล้วเราไปทำบาป<ม>ก็เท่ากับเราไปกู้หนี้ยืมสินไปก่อนหนี้ไปสร้างหนี้ขึ้นมาเวลาเราไปธนาคารเราไปขอกู้เงินจากเขาเขาก็จะให้เราวางหลักทรัพย์เอาไว้ เราจะให้เราต้องชดใช้นี่ต่อไปฉันใดเวลาเราทำบาปก็เหมือนกับการไปก่อหนี้ไปสร้างหนี้เช่นเวลาเราไปค่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปเสพชรายามาและอบายยุกต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลาสุปฏิปันโน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 ท่านจึงพูดว่าวุสิตังบ ร, รมเจาได้ยังเ อ, อ่กิจในพรหมจรรย์นี้ได้เสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมเพื่อเติมความสุขที่แท้จริงให้แก่จิตใจนี้ได้สําเร็จบริบูรณ์แล้วจิตใจเป็นปรมังสุขขังแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเติมความสุขอีกต่อไปไม่มีความจําเป็นที่จะจ้องเจริญสัพพะถาภาวนา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 เพราะวิปัสสนาภาวนานุษนี้โลกมนุษย์นี้เป็นที่เราจะต้องกลับมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงบ้านของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสร้างให้พวกเราไว้เราก็ต้องกลับมาที่โลกมนุษย์นี้ก่อนมาสร้างบุญเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปถึงบ้านที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้กับพวกเรา กลัมเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราเคยทำบุญเราก็จะกลับมาทำบุญต่อถ้าเราเคยรักษาศีลเราก็จะกลับมารักษาศีลต่อถ้าเราเคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมชื้ศีลแป น, นั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวหรือบวชเป็นพระเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะกลับมาทำอย่างนี้ใหม่ อย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าในอดีตเราเคยทำบุญมาก่อนเราเคยรักษาศีลมาก่อนเราเคยนั่งสมาธิเคยเข้าวัดมาอยู่วัดกันมาก่อนถ้าไม่เคยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนดีชวนเรามาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราครบคนดี เพราะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยทำบุญไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนามาก่อนแต่พอมีเพื่อนหรือมีพ่อแม่ที่ดีพาเราเข้าวัดเราก็จะได้หัดทำบุญหัดรักษาศีลหัดภาวนาไปนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการครบคนดี ในทางตรงกันข้ามถ้าเราคบคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีแทนที่จะชวนเรามาวัดเขาก็ชวนเราไปเที่ยวไปเข้าผัรไปเข้าบาร์ไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนเราจรึงไม่ควรที่จะคบคนไม่ดีถ้าเขาชวนเราไปในทางที่ไม่ดี เราต้องปฏิเสธทันทีอย่าไปเสียดายคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์กับเราจะมีแต่โทษจะเป็นภัยกับเราต่อไปแต่ถ้าเขาชวนให้เราไปวัดก็ไปเลยชวนให้เราไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมก็ไปเลยเพราะว่าเป็นการกระทำที่ดี ที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็คือจะทำให้เราเดินทางเข้าใกล้ถึงสู่บ้านที่พระพเจ้าได้ทรงสร้างไว้ให้พวกเรากันนี่คือเรื่องของการทำบุญแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนถ้าทมบาปเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนา พระสสดาบันก็จะไม่เสื่อมไม่หายไปเพราะเป็นความสุขที่ได้รับจากการทำลายแย่กว่าเดิมจะเร็วกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาจะเร็วกว่าเดิมผิวพรรณจะเร็วกว่าเดิมฐานะการเงินการทองจะแย่กว่าเดิมสุขภาพก็จะแย่กว่าเดิมอายุก็จะสั้นกว่าเดิม เพรนี้เป็นผลของวิบาสที่เราได้ทำเอาไว้ด้วยการฆ่าด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเวณีด้วยการโอกงหกหลอกลวงและเสพอาบายามุกต่างๆนี่คือผลที่เกิดจากการไม่ทำบุญทำแต่บาปชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในรอบต่าง คือพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะติดนิสัยเดิมเคยชอบฆ่าสัตว์ก็จะมาฆ่าสัตว์เคยชอบลักทรัพย์ก็จะมารักทรัพย์เคยประพฤติผิด ป, ป, ประเพณีก็จะกลับมาประพฤติติดประเพณีใหม่เคยโกหกหลอกลวงก็จะกลับมาโกหกหลอกลวงใหม่เคยดื่มสุรายามาเที่ยวกลางคืนเล่นการพ น, นัน ก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมเพราะมันเป็นของที่ฝังอยู่กับใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายไปนี้เวลาร่างกายตายไปนี้ใจจะเอาของที่ได้ฝังไว้ในใจติดตัวไปด้วยการฝังของก็คือการกระทำต่างๆของเหล่านี้เองถ้าทำบุญก็เรียกว่าบารมี ถ้าทำบาปก็เรียกว่ากรรังดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญมากขึ้นเราต้องพยายามทำแต่บุญอย่าทำบาปแล้วถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีก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 ก็ต้องฆ่าตัวสามตัวที่คอยลากเกวียนนี้ไปเรื่อยๆตัวสามตัวนี้ก็คือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่กามะตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเช่อนอยากจะดูนั่นดูนี่อยากจะฟังนั่นฟังนี่จะเรียกว่า ความอยากทางหูอยากจะดืมอยากจะลิ้มรสของต่างๆ <c oughs> ก็เรียกวความอยากทางลิ้นอยากจะดมกลิ่นต่างๆ <c oughs> ก็เรียกว่าความอยากทางจมูก <c oughs> แล้วอยากจะสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยร่างกาย <c oughs> ก็เรียกว่าความอยากทางร่างกายอันนี้แหละเป็นตัวที่จะฉุดลาก ให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยเพราะเรายังมีความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยู่เวลาเกิดความอยากก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายไม่สบายาเป็นอย่างไรอยากแล้วก็ไม่สามารถทำตามความอยากได้เราจึงไม่ค่อยชอบ ความเจ็บไข้ได้ป่วยกันซึ่งความจริงถ้ามองอีกแง่นึงความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันดีจะตายไปไม่ต้องกินไม่ต้องหากินเองมีคนหาข้าวมาเลี้ยงมีคนเอาน้ำมาให้ดื่มมีคนมาคอยดูแลเราถ้าเราสบายก็ไม่มีใครจะมาดูแลเราแต่เรากลับไม่ชอบกันเพราะเรามีความอยาก ใช้ร่างกายพาเราไปทําอะไรต่างๆนั่นเองพอร่างกายไม่สามารถทําอะไรได้เราก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความลาคานใจเกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาแต่ถ้าเรารักษาศีลแปดได้ไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้เวลาไม่สบายนี้ดีจะตายไปมีคนเอาข้าวมาให้เอาน้ํามาให้ เอายามาให้คอยพาเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลสบายจะตายไปแต่เรากลับไม่ชอบกันเพราะเราอยากจะเที่ยวกันอยากจะเล่นกันนั่นเองพอมันใช้ร่างกายเป็นไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ใจอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเร็วๆไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือ โทษของการมีตัณหาความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทาให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาร่างกายอันนี้ตายไปแล้วแต่ใจยังมีความอยาก อ, ากอื่่ก็เหมือนกับที่เราต้องเปลี่ยนรถอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังอยากออกไปข้างนอกยังอยากจะไปที่นั่นที่นี่เราก็เลยต้องซื้อรถใหม่ เวลารถเก่าพังไปก็ต้องซื้อรถใหม่ฉันใดร่างกายเราก็เป็นเหมือนรถที่จะตอบสนองความอยากทางตาหูจมูกวิ่งกายของเรานั่นเองแต่ถ้าเรากำจัดความอยากเหล่า น, นี้ได้เราก็ไม่ต้องหาร่างกายใหม่เช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาเงินหาทองเพื่อจะได้ร่ำรวยไปหาเสียงเพื่อจะได้ตําแหน่งเป็นนายกเป็นอะไรกันก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเวลาร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการก็จะไม่สามารถทําตามที่เราอยากได้ เราจะมีความอยากไม่ไม่เป็นนี่คือความอยากชนิดที่สานอกจากอยากมีอยากเป็นแล้วทีนี้ก็อยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะถ้าแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่สามารถทำตามความอยากต่างๆที่เราอยากได้พอเรามีความอยากมันก็อยู่ไม่เป็นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่เชื่อลองนั่งเฉยๆดูหาเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งให้สบายแล้วบอกว่าวันนี้จะไม่ทำอะไรจะนั่งเฉยๆจะนั่งอยู่ตัวเก้าอี้ตรงนี้ถ้าหิวน้ำก็เอาน้ำมาตั้งไว้ข้างๆไว้ดื่มแต่อย่างอื่นจะไม่ทาจะไม่ดูจะไม่ฟังจะไม่กินขนมนมเนยเครื่องดื่มที่ไม่จำเป็นจะต้องกินถ้าจะดื่มก็ดื่มแต่น้ำเปล่า ข้าวก็กินให้เสร็จเรียบร้อยพอพอกินเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องกินอีกก็ได้หรือรอหลังจากที่เรานั่งเสร็จแล้วค่อยมากินนั่งสักห้าหกชั่วโมงดูดูซิว่าจะนั่งอยู่เป็นสุขหรือเปล่าถ้าไม่มีความอยากรับรองได้ว่านั่งได้อย่างสบายแต่ถ้ามีความอยากแล้วมันจะหงดหงิดมันจะวุ่นวายอยู่ภายในใจอยากจะ ไปนู่นอยากจะมานี่อยากจะดูนั่นอยากจะดูนี่อยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะอัปทานมันจะทนนั่งไม่ได้ทั้งทังที่นั่งเฉยๆสบายจะตายไปดีกว่าต้องไปทำนู่นทำนี่ให้เหนื่อยเปล่าๆทำเสร็จแ ล, ล้วผลมันก็เท่ากันไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกลับมามันก็เหมือนเดิมนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปกลับมามันก็เหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิม เพราะม่จะทำให้เราต่อไปอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราไปเที่ยวไปเล่นพอกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวไปเล่นต่ออยู่เฉยๆไม่ได้เราเคยอยู่เฉยๆบ้างหรือเปล่าตั้งแต่เราเกิดมานอกจากเวลาที่เราไม่สบายทท่านั้นแหละที่ต้องนอนเตียงไปไหนไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ดื่มอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้แต่ตอนนั้นก็อยู่แบบทุกท์ปรมาณใจ เพราะเรายังไม่สามารถหยุดความอยากภายในใจของเราได้แต่ถ้าเรามาฝึกลดหยุดความอยากกันนี้ถ้าไม่มีความอยากภายในใจแล้วเราจะอยู่เฉยๆอยากเป็นสุขเราเรียกว่าอยู่เป็นสุขพวกเราทุกวันนี้เรียกว่าอยู่ไม่สุขอยู่ไม่เป็นสุขกันต้องหาเรื่องมาให้ตัวเองทุกข์อยู่เฉยๆสบายไม่ชอบอยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอไปหาแล้วไม่ได้มาก็เสียใจพอได้มาก็วุ่นวายใจต้องคอยดูแลรักษาเช่นไปหาไปได้แฟนมาก็ต้องมาวุ่นกับแฟนแล้วต้องห่วงแฟนต้องห่วงแฟนแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาทะเลาะกับแฟนหรือว่าเวลาแฟนเขาไปหาคนอื่นไปได้คนอื่นใหม่ เนี่ยเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่ต้องมาทุกกับเรื่องราวเหล่านี้แต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะเราไม่ได้กำจัดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามากำจัดความอยากกันว่ากำจัดได้แล้วมันสบายความอยากนี่มันเป็นเหมือนโรคเชื้อโรคร่างกายของเราเวลาลีเชื้อโรคเป็นอยางไรมันทาให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเรากินยาทำลายเชื้อโรคได้พอไม่มีเชื้อโรคแล้วร่างกายเราก็เป็นปกติฉันใดใจของเราก็มีเชื้อโรคเชื้อโรคของใจก็คือตัณหาความอยากนี่ถ้าเราไม่กินยาเชื้อโรคก็จะไม่หายยาของพระพุทธเจ้าก็คือให้ปฏิบัติธรรมนี่ ให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาเพราะถ้านั่งสมาธิได้ก็จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บสงบตัวไปชั่วคราวเวลากินยาเข้าไปแล้วเชื้อโรคก็จะถูกยาขัดขวางการทำงานเวลาเชื้อโรคไม่ทำงานเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับหายจากโรคภัยไข้เจ็บไป แต่พอเราหยุดกินยาเดี๋ยวเชื้อโรคก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะให้ตันหาความอยากนี้หายไปนอกจากการนั่งสมาธิแล้วเราต้องใช้ปัญญาเพราะว่าเวลานั่งสมาธินี้จะทำให้ตันหาความอยากหยุดทำงานไว้ชั่วคราวแต่มันไม่ตาย เพราะเรายังไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของตันหาเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราตัดเพียงแต่กิ่งแต่ก้านตัดแต่ต้นถ้าเรายังไม่ถอนรากมันขึ้นมาเดี๋ยวรากเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะออกกิ่งก้านสาขาออกใบออกมาใหม่ถ้าเราอยากจะไม่ให้ต้นไม้นี้จเจริญต่อไปเราก็ต้องถอนรากถอนโคน ขดรากถอนโคนขึ้นมาฉันใดตันหาความอยากก็ไม่ตายด้วยสมาธิสมาธินี้เป็นเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเราหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็จะงอกเหนยขึ้นมาไม่ได้พอเราหินยกหินออกไปเดี๋ยวไม่นานหญ้ามันก็จะงอกเหนยขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดตันหาความอยากทั้งสามนี้ คือกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะไม่ตายด้วยกำลังของสมาธิเพียงแต่จะทำให้มันอ่อนกำลังลงไปถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะไปฆ่ามันได้ด้วยปัญญาขั้นต้นเราต้องทำให้มันอ่อนกำลังไปก่อนเหมือนกับต้นไม้เราตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นลมต้นไปก่อน แล้วเราค่อยมาขุดถ้าขุดทั้งต้นนี้มันอาจจะยากกว่าดังนั้นเราต้องทำสมาธิก่อนทำใจให้สงบเวลาใจสงบตัณหาความอยากก็จะหยุดทำงานไปเหมือนกับถูกฉีดยาสลบแต่เวลาเราออกจากสมาธิมานี่ตัณหาก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่ยาสลบหมดฤทธิ์ เราก็จะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องใช้ปัญญามาทำลายตันหามาถอนรากของตัญหาความอยากรากของตันหาความอยากก็คือความหลงคือความไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเรา เราต้องสอนใจว่าเวลาเรามีตัณหานี่เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขเวลาเราไม่มีตัณหานี้เราจะอยู่อย่างเป็นอย่างมีความสุขลองสังเกตดูวันไหนที่เราไม่มีความอยากเราจะอยู่บ้านได้วันไหนเรามีความอยากออกนอกบ้านแล้วเราจะอยู่ในบ้านไม่ได้นี่แหละคือปัญญาเร า, เราต้องเห็นโทษของความอยาก ล้าก็เห็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากว่าไม่ได้ทำให้ความทุกข์ของเราหายไปหรือหมดไปแต่กลับจะทำให้เกิดมีความทุกข์มากเพิ่มขึ้นไปเช่นเราอยู่คนเดียวเรามีความทุกข์เพราะเราเหงาว่าเวเราอยากจะมีแฟนแต่พอเรามีแฟนแล้วเราก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาจากการที่เราไม่มีเวลาเราอยู่คนเดียว เราก็ต้องมาทุกข์กับแฟนเวลาไม่เห็นหน้าแฟนก็เป็นห่วงเป็นใยเวลาเขาไปคุยกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นเราก็จะวิตกกังวลกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรากลัวว่าเขาจะเบื่อเรากลัวว่าเขาจะทิ้งเรานี่แหละคือไปแทนที่จะไปหาความสุขเรากลับไปหาความทุกข์เข้ามาเพิ่มมากขึ้น ความสุขที่ได้จากการมีแฟนก็มีนิดเดียวเท่านั้นเองเวลาได้ทำอะไ ร, ร่วมกันเวลาถูก อ, อกถูกใจกันแต่เวลาที่ทะเลาะกันความสุขเหล่านี้ก็จะหายไปหมดเวลาไม่ได้อยู่ร่วมกันก็มีความเหงากลับมาเหมือนเดิมนี่คือปัญญาต้องมองให้เห็นโทษของการทำตามความอยากต้องเห็นโทษของการมีความอยาก และการอยากการความอยากนี้จะหายไปได้หมดไปได้ก็คือต้องไม่ทําตามความอยากถ้าไม่ทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันจะหมดกําลังไปเองเช่นคนอยากจะดื่มสุราทุกครั้งที่อยากจะดื่มแล้วไม่ดื่มสุราไม่นานต่อไปความอยากดื่มมันก็จะหมดไปเองไม่เช่นั้นคนที่ดื่มสุราติดสุราก็จะเลิกไม่ได้คนที่เขาเลิก สุราดื่มสุราได้เพราะว่าเขาไม่ทำตามความอยากดื่มสุรานั่นเองทุกครั้งที่อยากจะดื่มก็ดื่มน้าเปล่าแทนดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่อยากจะดื่มอีกต่อไปนี่คือปัญญาเราต้องรู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความไม่สบายใจหน้าการไม่ทำตามความอยากเท่านั้นถึงจะทำให้เรา หายจากความทุกข์ได้ทำให้เราทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะเดินทางไปถึงบ้านที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างให้พวกเรากันก็คือพระนิพพานนี่เองเป็นที่อยู่ที่มีสิ่งที่ดีที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆนอกบ้าน ถ้าเรามีของที่ดีกว่าอยู่ในบ้านเราจะออกไปหาของที่เลวกว่าทำไมแต่ที่เราต้องออกอยากนอกบ้านตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีของที่ดีอยู่ในบ้านเราเราจึงต้องออกไปหาของนอกบ้านกันแต่ถ้าเราสร้างสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นมาอยู่ในบ้านเราต่อไปเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านเราก็จะไม่มีความอยากจะไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไปดูไปทำอะไรต่างๆเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในบ้านของเราก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นการสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นภายในใจของเราสิ่งนั้นก็คือความสงบนั่นเองถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายที่เราจะได้รับจากการออกไปหาจากข้างนอกใจของเรา เราจะไม่อยากเราจะไม่ต้องมีความอยากอีกต่อไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาทำบุญกันอยู่เรื่อยๆทำบุญอุปถาพระพุทธเจ้าแการดูางอุปถาของของพระนอนต่อพระพุทธเจ้าจึงทาให้พระนอนไม่ได้เป็น นักปฏิบัติมือชี่ไปเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปปีกวิเวกจึงขอยุดิดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบนเพ็ญกัในวนันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนักสุขภาระ โดยทั่วหน้ากันเธอ